ตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติจิตภาวนาเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเมื่อทำไปแล้วยากที่บุคคลที่จะรู้ที่จะเข้าใจอันลึกซึ้งเหมือนกับทำไปแล้วไม่มีอะไรปรากฏนั่งเหนื่อยปเปล่าไม่เห็นได้อะไรเลย อันนี้เองจึงเป็นเหตุให้คนได้ตั้งใจการอบรมจิตภาวนาไม่น้อยเพราะไม่มองเห็นประโยชน์ไม่เห็นความสำคัญของการภาวนาภาวนาการอบรมจิตนี่เป็นธรรมะที่ละเอียดมากความประกฏก็ละเอียดความรู้ก็ละเอียดความสุขก็ละเอียด ถ้าหากเราทั้งหลายพยายามฝึกฝนให้เข้าใจถูกต้องแล้วการภาวนาทุกคนก็ต้องทำได้ปฏิบัติได้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่เรามีทุนอยู่แล้วอเอากายกัดใจของเราเท่านี้แหละเป็นทุนคุณสมบัติที่เรามีอยู่แล้วเรามาปรับปรุงให้มันดี สะสางให้มันดีให้มีคุณค่าเหมือนกับแม่ครัวปรุงอาหารแต่วัตถุได้มาอย่างไรแล้วก็ใช่อย่างนั้นไม่ปรุงขึ้นมามนุษย์ของเราก็ไม่เป็นที่เรียกว่ามนุษย์แต่เรียกแต่เพียงคน้ำมามนุษย์เนี่ยมันองมีจิตใจสูงต้องรู้จัก ปรับปรุงให้มีประโยชน์ให้ละเอียดให้เพรเน่เหมือนกับปรุงอาหารอมารวมกันพร้อมด้วยรูปพร้อมด้วยสีพร้อมด้วยกลิ่นพร้อมด้วยรสคนทั้งหลายก็นิยมชมชอบจึงติดอยู่ในรสอาหารเพราะรสอาหารครอบงําจิตใจของบุคคลเหล่านี้เองจึงเป็นเหตุ ให้หวงแผนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทการเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาสร้างอากุศลขึ้นมาในจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองอันนี้ในด้านวัตถุแต่สำหรับผู้มีปัญญาได้อบรมจิตใจรู้ความจริงแล้วท่านจะไม่ยอมให้ กิเลสเหล่านั้นครอบงำจิตใจได้ถึงแม้ว่ารูปจะได้การตกแต่งจากสังขารคือความปรุงแต่งให้เป็นสีสันต่งตางๆโดยเขานนยมว่าน่ารักน่าชอบใจก็ตาผู้มีปัญญานั่นท่านไม่หลงเพราะเด่นพิจณาว่านนี้เป็นสังขารถึงแม้ว่าจะน่ารักน่าชมเท่าไหร่ มันก็ชั่วครูโฉกครา ว, วที่ตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อมันย่อยเปื่ยลงไปแล้วมันก็เป็นสภาพอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหลงเราไม่ควรจะหลงตามสังขารที่ปรุงแต่งเมื่อชักตัวอย่างรูปที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเสียงที่ปรุงแต่งขึง้นมาบัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หลง แม้จะเขาจะแต่งได้รับความนิยมชมชอบทางโลกทั่วไปก็าตามแต่เสียงเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาเป็นธรรมแล้วกาษัแต่ว่าเสียงมันก็หายไปตามอากาศไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มาทำบุคคลให้ได้ความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้ทำให้บุคคลมีสติมีปัญญาดี ตรงกันข้ามทําให้บุคคลโม่เมาทําให้บุคคลหลงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากความโม่เมาจากความหลงอนะันนั้นทั้งความสุขที่ได้จากความชอบใจพอใจครูครเดเอวก็หมดไปจางไปหายไปไม่มีอะไรประกฏขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายก็นิยมชมชอบ นุดทั้งหลายก็มีความนยมชมชอบแต่ส่วนทาคำสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนว่าเสียงเหล่านั้นก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยแล้วปรุงแต่งเกิดขึ้นอะไรเล่าเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้เป็นสิ่งทีง่สาคัญ เพราะความอยากนั่นเองโดยอันหน้าแห่งความไม่รู้โดยอํนนานาจแห่งความหลงนั่นเองโดยความไม่รู้ความเป็นจริงนึกก็ะดัยมาซึ่งความโศกนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นเมือ่อเราพิจารณารูปเสียงกลิน่นก็เหมือนกันก็จะแต่งมา ก, กลิน่นสังขารที่แต่งขึ้นยกขึ้น ถึงแม้ว่าจะกลิ่นดีในยมชมชอบเมื่อได้สัมผัสแล้วถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจดีหละเราไม่มวมเมาเราไม่หลงไม่ยอมให้กลิ่นแบงนั้นเข้างำจิตใจของเราได้เพราะพี่เจรนาดูให้ละเอียดแล้วมันไม่ได้ทำให้บุคคลมีสติดีมีปัญญาดีให้ละความช่วยประพฤติความดีมีความฉลาดอะไรเลย ทำให้มนุษย์มัวเมาทำให้มนุษย์หลงทำให้เกิดความประมาทเข้าใจผิดส่วนความสุขและความทุกข์แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เปลี่ยนมันอยู่ที่จิตใจที่มีปัญญารู้จักรักษารู้จักเลือกไม่ตหางเพราะฉะนั้นเราไม่ควรติดเราทังหมายคนรเชื่อธรรมควรเชื่อบัณดิตควรอบรมจิตใจตามบัณดิต รถก็เช่นเดียวกันเหมือนกับสบายมาแล้วถึงแม้ว่าจะเขาจะปรุงแต่งดีเช่เท่าไรก็ตามมันก็ดีจะเพียงไปเล่นครูครูเท่านั้นเองผลที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปครู่เดียวเท่านั้นสัมผัสก็ดีพอจะพระก็ดีที่ถูกต้องกายความสุข มีอยู่ครู่เดียวแล้วก็หมดไปเป็นของไม่ทาวอนไม่มั่นคงความสุขเมื่อมีจิตใจของเร า, ามีสิ่งที่ดีถาใจของเราไม่ดีแล้วสิ่งที่มาสัมผัสจะนิ่มนวลสักเท่าไหร่ก็ตามถตจิตใจร้อนแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่มีความสงบไม่มีความสุขรบกวดไม่มีความเย็นในจิตใจเลย มันดิบทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นรูปที่ปัจจัยแต่งขึ้นเสียงที่ปัจจัยแต่งขึ้นกลิ่นที่เหตุปัจจัยแต่งขึ้นรสที่เหตุปัจจัยแนะแต่งขึ้นโผฏฐัพพะที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอารมณ์ที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นในใดทั้งสิ่นทั้งหมดนี้เราทั้งหลายไม่ควรหลง เราควรพิจารณาตามธรรมรูปความจริงถึงแม้ว่าเราจึงเป็นจะต้องอาศัยรูปแต่เราก็ไม่หลงรูปเราจึงเป็นจะต้องอาศัยเสียงแต่ก็อย่าหลงเสียงเราจึำเป็นจะต้องอาศัยกลิน่นอาศัยรสอาศัยผดจั๊พระก็ตามหรืออาศัยธรรมารมณ์เหล่านั้นก็ตามถ้าเราไม่หลงเราฉลาดแล้วสิ้นเหล่านั้น กลับเป็นรรมมีอุปการะเหมือนกับเราเอาสังขารเหล่านั้นเป็นเขตหรือเป็นแดนในการกำหนดรูปด้วยอาการสำรวมให้เกิดความสำรวมตาขึ้นมาเลยได้กุศลจากความสำรวมเรียกว่าอินทร์สังวรลสิน สติสังวรสินสติชื่อวสินการสํารวมอินทรีย์เชื่อเป็นผู้มีสินคือความสังวรคือความสัรวมเรียกสินและสังวรการรักษาสินด้วยสังวรเวทินีย่อมเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการแสวงหาบุญการอบรมสั่งสมบุญนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลถท่าเราเข้าใจ เรานั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามอยที่ไหนก็ตามเมื่อเรามีอินทรียสังวรแล้วสํารวมตาหนะ้าเราเป็นผู้มีสินแต่เป็นเปิดประตูบุญกุศลให้เข้ามาทางทางตาคือสํารวมตามถ้าเราสัมรวมหวูก็เปิดประตูบุญกุศลเข้ามาทางหู สัมรวมเต่าหมวกสัรวมดินสัมรวมกายสัมรวมใจเวลาสิ่งเหล่านั้นมากระทบถูกต้องแล้วมีสติพิจารณาให้รูคความจริงรูปนี้อสักว์แต่ว่ารูปเสียงก็สัตว์แต่ว่าเสียงกลิ่นก็สัตว์แต่ว่ากลิ่นรสก็สัตว์แต่ว่ารสถอดสัพพะก็ที่มาถูกต้องกายก็สัตวกว่าโอดสัพพะส่วนอารมณ์ใดๆจะเกิดขึ้นในจิตใจ เราก็มีสติสตรู้ว่าษัแปลว่าอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นสาระเกินสารสักอยาก่างเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านั้นเกิดดับเกิดดับแต่ความรู้ที่สงบอยู่ภายในนั่นมันสบายความรู้นั้นยิ่งมั่นคงไม่ได้เกิดดับไปตามอารมณ์เหล่านั้นสิ่งที่ถูกเรารู้ ด้านเกิดดับเกิดดับแต่มนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังทำคำสอนพระพุทธเจา้าจึงไม่รู้ในเรื่องนี้จึงไม่ได้สารวมใจในการที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสจึงเป็นเหตุให้เกินเกิดความหลงความมัเมาเวลารูปเหล่านั้น จากไปเวลาเสียงเหล่านั้นจากไปก็มีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจมีความเศร้าใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปในส่วนบัณฑิตทั้งหลายถึงแม้ว่ารูปเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลไปงไปอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเศร้าใจไม่มีความเสียใจเนี่บัณฑิตกับคนไม่ใช่บัณฑิตมันต่างกันตรงนี้ ถึงแม้ว่าตาเหมือนกันก็ตามจมูกเหมือนกันแล้วลิ้นอาัยวะขันห้าเหมือนกันก็ตามบัณฑิตกับไม่ใช่บัณฑิตผู้ประพฤติทำกับผู้ไม่ประพฤติทำผู้รู้ทำกับผู้เห็นทำนั่นย่อมต่างกันตรงนี้เวลาสิ่งเหล่านั้นทัดพลาจากไปเวลาทุกเกิดขึ้นทั้งก็ยังมีความสุขเวลาสุขเกิดขึ้นทันก็ไม่มีความมัวเมาและความหลง ส่วนคนไม่ใช่ไม่ได้สะดับทำของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่ตนได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้เข้าไปรู้ทำตามความเป็นจริงย่เป็นผู้ที่หวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเวลาสิ่งที่ชอบเกิดขึ้นจะมีความมัวเมาหลงดีอกดีใจจนลืมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังอนัตตา ตั้งอยู่ชั่วคราวถ้าเราหลงอย่างนั้นมันกิดทุกเรียกว่าเราหลงสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาอบรมภาวนาไม่ให้หลงสังขารแับ น, นั้นให้รู้เท่าสังขารเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารันไหเกิดขึ้นปรุงขึ้นเราพยายาหลงอย่าโมเมาไปตามถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกแต่อาศัยโลกอยู่ กวแหลแต่เขยังมอบราดย่อมเป็นทาสของโลกโลกมันไม่ได้ต้องการทำอะไรให้เราให้เราไปเป็นทาสเป็นรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่ได้ต้องการให้เราไปหลงเขาหรือไปเป็นทาสเขาเราจะเป็นนายเขาเขาก็ไม่ว่าเพียงแต่เราเองไม่ยกบรรดับภานะของเราเองให้แก่กล้าให้มีอำนาจ ให้มีจิตใจสูงกว่าสิ่งอย่างนั้นไปยอมตัวอยู่ใต้อำนาจโดยแห่งความหลงความชอบนั่นเองทำให้เราทุกข์ใจเสียใจเดือดเมื่อร้อนใจท่านยงว่าโซเกฮิประเดเวฮิดุเคฮิโดมันเซฮิุปายาเซ น, นั่นเมื่อรัดท่าจากสิ่งที่เราชอบใจแล้วจิตใจของบุคคลผู้ไม่ได้ฟังไม่ได้อบรมรม ของบันทิตหาะย่อมถูกสิ่นั้นครอบงำโซโเกฮิประเดเวติมีความเศร้าใจมีความที่ไรรำพันปริเทวนาการมีความทุกข์ใจมีความน้อยใจขับแค้นใจเสื่ื่อนรันทดในจิตในใจไม่เป็นอันฟินไม่เป็นอันนอนอลงไหลเมื่อทุกทิศทุกทายเมื่อทุกมันครอบงำบางคนก็เป็นบ้าเสียเลย ผลที่สุดบางคนกระโดดน้ําตายหรือกระโดดเข้ากองไฟฆ่าตัวเองตายไปตามสินงเพราะความเสียใจเพราะความน้อยใจเพราะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นหาได้รู้ว่าอัตภาพร่างกายที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่จะไดได้โดยความสะดวกสบายง่ายเมื่อไร ต้องเป็นผู้มีบุญมีกุศลอันได้สั่งสมอบรมมาพอสมบูรณ์แล้วจึงกุศลอันนั้นตกแต่งจึงได้อัตภาพอันนี้มาเมื่อได้มาแล้วไม่รู้จะใช้มาล้างฐานให้สลายสลายไปเสียเปล่าโดยไม่รู้ว่าเป็นของมีคุณค่าเรารู้ได้วัาของอัตภาพมนุษย์มีคุณค่าได้อย่างไรเราทราบได้อย่างไร เราทราบได้องค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อัตภาพอย่างนี้พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าก็ได้อัตภาพอย่างนี้พระอรหันตเจ้าทั้งหลายสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ก็ได้อัตภาพอย่างนี้เหมือนกับเราทั้งหลายได้อยู่ในบตัตรนี้เราควรภูมิใจที่ได้อัตภาพอันนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทงคำคําสอนพระพุทธเจ้าหรือหนทางการปฏิบัติก็กมีอยู่แล้ว เครื่องมือพระองค์ได้มอบให้แล้วทุกอย่างเครื่องมือคือคืออะไรคือศีลเครื่องมือคือสมาธิเครื่องมือคือปัญญาในพระองค์ได้ไว้แลให้เราเราไปใช้เครื่องมือ่ศีลก็คืออะไรก็<ม>กายนี่เองวาจานี่เองสมาธิปัญญาก็กายกับใจนี่เองอบรมกายอบรมใจนี่เองให้ใจนี่ฉลาด ให้รู้กายตามความเป็นจริงให้ใช้กายนี้ให้เกิดประโยชน์เมื่อจิตใจฉลาดแล้วตาก็มีประโยชน์หูก็มีประโยชน์จมูกก็มีประโยชน์เล่นก็มีประโยชน์ใต้ก็มีประโยชน์ใจก็มีประโยชน์ถ้ามีปัญญาแล้วถ้าไม่มีปัญญาแล้วใช้ตาไปในทางที่เกิดโทษใช้หูไปในทางที่เกิดโทษเกิดทุกข์เปตัวเอง เนี่ความสุขและความทุกข์เกิดขึ้อนอาศัยคนมีปัญญาและไม่มีปัญญาย่อมต่างกันอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินึกว่าเขาก็เหมือนเราเร า, าก็เหมือนกันหมดเพราะไม่เห็นใครวิเศษวิโสกว่าเราเลยสําคัญตัวเองเสมอเขาสําคัญว่าเอเขาเสมอเรานี่เเยเกิดได้เกิดมานะขึ้นมาไม่สา ม, มารถที่จะแก้ไข ถึงแม้ว่ามีสิ่งที่ตังให้ปรากฏแต่ก็ไม่ปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้อบรมจิตใจให้รู้ทคำคําสอนขององค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการจะรู้ดังกล่าวมันนี่จะต้องอาศัยปฏิบัติฝึกหัดอบรมทางจิตใจให้รู้จิตใจของเราเองให้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองมันต่างกันอย่างไร เมื่อเราไม่สํารวมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราสํารวมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในระหว่างเราไม่สํารวมกับเราสํารวมนั่นเราก็รู้ได้เลในการนั่งสมาธิกับไม่นั่งสมาธิอะไรเกิดขึ้นในระหว่างจิตสงบกับจิตไม่สงบเราก็รู้ได้เพียงระยะเดียวไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่รู้ถ้าเรานักสังเกตไม่โมเมาเกิมไปเราจะต้องเข้าใจความจริงถูกต้อง เมื่อเราเปรียบเสียบทางใหนดีเราก็จะต้องรับความชั่วได้อย่างเด็ดขาดเราจะทําความดีได้ตามคาสอนขององค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ยากเพราะเราเห็นแล้วความชั่วว่าเป็นความชั่วนำทุกนั้นโทษใครเล่าต้องการโทษถามดูทุกคนไม่มีใครต้องการทุกก็ไม่มีใครต้องการแต่ให้ทําความดีนั้นยาก พยายามคิดนึกในสิ่งที่น้อมใจเพื่อให้ตั้งอยู่ในธรรมให้ดำริในทางที่ชอบอบรมจิตใจของเราไม่ให้ละโมบอันเป็นอักุสลจิตให้ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่พยาบาทเบียดเบียนอาฆาตต่อมนุษย์ได้จั์ทั้งหลายด้วยอำนาจอากักกสนจิต อบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นตรงถูกต้องตามทํานองกรองธรรมตามความเป็นจริงเราทั้งหลายเมื่อกายได้รับการอบรมดีแล้วความดีนั่นนะี่ยเป็นคุณเป็นสมบัติของเราเรารับรองตัวของเราเองเห็นมาจากในตัวของเราเองเราไม่ไปที่ตกต่ําแน่นอน เราได้ใช้มนุษย์สมบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราและเป็นเยี่ยงอย่างในทางที่ดีของลูกต้าวลานเลนพุทธิเกิดมาสุดท้ายภายหลังจะได้รับมรดกตกทอดในทางที่ดีเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้พยายามสอดสองฝึกฝนอบรมเขาแต่สอนเขาบ้างเขายังไม่รู้จักก็ต้องอาศัยผู้เกิดก่อนเราผู้รู้ก่อน อย่าปล่อยไปตามลำพังจนเกินไปเมื่อจะดัดต้องดัดไว้แต่เล็ก น, น้อยเมื่อโตขึ้นมาแล้วมันก็ยากยากที่จะดัดได้ร่างอุปนิสัยที่ดีให้เป็นเยียงอยากให้แกเขาถ้าเราทำได้อย่างนี้แปลว่าเราสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ โลกัตถ์จริยาประพฤติประโยชน์แก่โลกด้วยยาตัตถจริยาประพฤติประโยชน์แก่ญาติเน้องของเราด้วยมาชื่อว่าเราทางหลายได้ทําประโยชน์อย่างสมบูรณ์ประโยชน์ตนเราก็ได้ทําทุกวันทุกวันประโยชน์แก่ญาติเราก็ได้ชักชวนประพฤติปฏิบัติดีอประโยชน์แก่โลกเราก็ได้ขนุนบำรุงเต้นเยี่ยงอย่างของโลก ได้สร้างความดีไว้ให้เป็นมรดกของโลกเหมือนกับเราสร้างสํานักนี้ขึ้นมาเป็นสํานักอบรมศิลปธรรมวางระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบัติไว้ให้เป็นสมบัติของโลกเรียกว่าโลกจัต ฐ, ฐจริยาเราได้ประพฤติดเดินรอยตามองค์สมเด็จพระสรรมสังฆ์พระเจ้าขอให้ชาวเราทาั้งหลายพึงระลึกถึงความดีแล้วตั้งใจปฏิบัติต่อไปจนถึงที่สุด จนเสร็จกิจที่เราไม่เต้าทำอีกเราเพียงจะหยุดอยู่เมื่อกิจอย่างมีอยู่ตราบได้เราพยายามตะเกียดตะกายไปจนให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้ถึงที่สุดแหทุกแต่เรามียมีความเพียรพยายามต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจนำไปตรวจรองพินิจพิจารณาปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความ ส, สุขความเจริญตั้ง จากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรเป็นเวลาแล้วกินเลิกครับ